สังคาทิเศษสิกขาบทที่8 2ดสองร้อยสิบสี่ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุณีผู้ถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์บางเรื่องโกรธไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งณนะที่ไหน ตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพภิกษุณีจันดกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันดกาลีถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์บางเรื่องโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่า พวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชอบพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชังพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะหลงพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะกลัวในสังฆาธิเศษสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐาน เป็นธุระนิเขปะสมุดฐานละ